สุว <saw lan ode> ิชาโนปวังโฮติที่วันนี้เป็นวันอุโบสถที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้ภิกษุสวดปาฏิโมก เป็นศีลของพระพิสุทธงในพระพุทธศาสนาที่ตัดเดวปาติโมกขสังพระศีลและไปจวบกับวันอัสาาหาที่เป็นที่ทราบกันว่าวันคลายวันเฟรตนา สามเการเกิดขึ้นในโลกคือพุทธรัตนะรัตนะคือแก้วคือ่านปุรุธรรมรัตนะแก้วคือพระธรรมที่จะนำบุคคล ผู้รู้ไปทานำไปปฏิบัติยอมได้รับความสุขในชีวิตที่เป็นไปอยู่และชีวิตที่เป็นไปในอนาคตคือพบน้อยพบใหญ่ซึ่งเป็นธรรมัทสาคัญสมบบริยาณ ชีวิตใดชีวิตที่กำลังเดินอยู่ในวะตะัตฏะครๆมันําเบียงเดินทางไกลซึ่งเป็นจเป็นสิ่งจำเป็นกับชีวิตที่ต้องเดินทางไกลความดีที่มนุษย์เราสร้างไว้ เรียก บ, บุญบุญนั้นกขงสงเสริมให้ชีวิตที่มีความเกิดคือตามหลักธรรมดาเราไม่ศึกษาหาความรู้ในหลักวิชาการในทางศาสนาที่เข้าใจด้วยใจของตนเองว่าชีวิต แต่แต่ละชีวิตที่ยังมีพืชคือคีรีทั้ง่ายดีและายชั่วปี่นำโุกุลไปสู่พบใหม่ดันอุปมาใให้เราเข้าใจเหมือนกับพืช ของพืชต่างๆมาแล็ดพืชนั้ น, นย่อมรักษาใบหน่อใบทั้งหมดทั้งรากแกวลรากผอยเลือกใบในเมื่อไปรับอากาศดินปุ๋ยนา้า ธาตทั้งสี่ก็เกิดขึ้นเป็นต้นไม้ของพืช น, นั้นๆในปัจจุบันพืช น, นั้นเป็นอย่างไรในอนาคตก็ต้องเป็นเช่นนั้นแต่บุคคลเราที่อยู่ในปัจจุบันถ้าสร้างกรรมดีกรรมดีก็เสกสรรปันแต่งให้ไิสู่ภพที่ดี ก็สุคติพบความอุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัยทิฏฐณาใยและวิชาความรู้ที่ตนศึกษามาทั้งทางโลกและทางธรรมความรู้ก็สำคัญซึ่งเป็นเครื่องนำชีวิต มองเห็นในอนาคตความรู้ชั้นสูงมองเห็นอดีตอานาคตจึงถึงชีวิตที่ดือดินที่เป็นเอตึงที่สุดแห่งทุกได้เช่นนั้นชาวพุทธอยู่ที่ไหน ตามสังเกตศาสนาก็าไปถึงที่นั้นอย่างในนานาประเทศอย่างที่ได้ศึกษาตามสายตาผ่ามสายหูหรือไปดูหมายกับตัวตาของตนเองก็ เ, เกิดความร่วมใส ว่าศาสนานี้เป็นศาสนาสากลควรเกียการยอมรับนับถือนำมาปฏิบัติได้รับคือความสุขในทิตรธรรมนิการสุขและได้รับความปปรดไปในปัจจุบันฉะนั้น การศึกษาครูบาอาจารย์ไม่ว่าทั้งทางโลกและทางธรรมท่านเน้นให้เราเห็นว่าเหมือนเราศึกษาแผนที่เรามีความรู้ทางแผนที่เราจะไปไหนก็เดินตามแผนที่หรือเราหรือเกาเขียน เป็นที่ไว้เมื่อเราเข้าดวงเข้าป่าทาลูกสรนไว้จะไม่หลงทางในการเข้าไปแล้วเราจะออกมาอีกเราจะไม่หลงจะเข้าใจจะนำชีวิตของตณให้มีความปลอดภัยได้ฉะนั้นการศึกษาจึงแวน่นเป็นแว่นตา เวลานี้วิชาการของทางโลกทุกท่านที่ได้ผ่านการศึกษาก็เข้าใจดีไม่ต้องอธิบายให้ฟันเฟือมากเกินไปแต่เน้นให้เห็นในทางธรรมในทางธรรมนี่สำคัญมากเพราะเป็นเครื่องบง่งให้เราเดินตรงตาม ความปรารถนาของตนได้ให้สำเร็จตามความปรารถนาของตนได้ทางโลกไม่แน่นอนาะสินเวรลมอาจจะดึงไปในทางฝ่ายต่ำกว่าได้แต่เราเดินตามเข็มติดคือความรู้ที่เราศึกษามาก็สามารถช่วยตนต้นจากทุกข์ในในชีวิตที่ยังเป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็ไม่สามารถจะรูปความความสุขในอนาคตรหรือความลปลอดภัยในอนาคตได้เว้นไว้แต่ในทางศาสนาก็ทางศาสนาเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ถูกต้องแต่เป็นสิ่งที่ยากเป็นการทวนกระแสของการศึกษา เมือนเราไปเรือทวนกระแสน้ำผู้ใดจะพันทวนกระแสน้ำไปได้ก็ต้องใช้ความเพียรและใช้ บ, บุญญาธิการอันยิ่งใหญ่คำว่าบุญในทีนี้ในทางศาสนาปะส ม, มาสมุทัเจ้าสองอ้าง อ, อกบารมี คำว่าบารมีนั่นที่ตนบำเพ็ญไว้แล้วถ้าไม่ไม่ได้บำเพ็ญมาจะอ้างไม่ได้มองไม่เห็นเหมือนในในในอากาศถ้าเราไม่มีเครื่องทดสอบของวิชาการต่างๆลูกเราจะมองไม่เห็นว่าอะไรบ้างที่มีในอากาศในกองฟ้าตรงวิชาการในทางศาสนา ทำให้จิตใจขงโมคนในศึกษามองเห็นส่วนอดีตที่ด่วงมาแล้วและอ น, นาคตที่ยังไม่มาถึงความเป็นจริงในในปัจจุบันเนี่ยเป็นเครื่องสองไอเรามองเห็นท้งสองการในการที่ด่วงมาแล้วเราจะมองเห็น ถ้าพิจารณาส่วนใกล้ๆไม่ต้องอธิบายเราจะรู้เองอนาคตกับมันกันเช่นพรุ่งนี้วันนี้เป็นปัจจุบันพรุ่งนี้เป็นอนาคตถ้าเราจดจำเก็บขืนไวเราจะเข้าใจเใจีมใสว่าในอนาคตนี้ผลแห่งความดีส่องมาให้เรามองเห็น ที่นำชีวิตของตนให้ถึงถึงความปลดไปเชื่อมั่นในทางศาสนาเขินบุญคืนทานตันยกถึงทานถึงเป็นบารมีคือเียกว่าบำเพ็ญทานเหมือนเราปลูกพืชระยะสั้นระยะยาวจะเราอาศัยกันบำรุงรักษา คอยดูคอยเล่คอยแก้คอยไ่ผล้นนั้นเราย่อมยังให้ผลในปัจจุทั้งในปัจจุบันทั้งใ น, ในอดีตเพราะฉะนั้นในทางศาสานาบุญก็เหมือ น, นกันจึงเป็นเหตุให้ให้ผลคือความสุขอันเป็นที่แธรรมิกาสุขมองเห็นได้ คือแก้กับเองคือบุญนั้นโดนบันดาลให้เกิดขึ้นในปัจจุบันแก้ปัญหาในปัจจุบันได้ฉะนั้นการบำเพ็ญบุญทุกท่านที่บำเพ็ญมาหรือพระอารียเจ้าอย่างพระพุทธ เ, เจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญบุญทุกพบทุกชาติเช่นในเปรตในเพ ศ, เพศประเวศสันโดน พระองค์ทรงบาเพ็ญจนเต็มในพระอริยของพระองค์แม่จะถูกลงโทษเขาจะหาว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนการลกณีเป็นคนจังรอยบ้านจังเอยเมืองแต่ความดีที่พระองค์เห็นว่าเนี่ยเป็นวิถีที่นำชีวิตของพระองค์ให้พ้นจากทุกข์ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในในอนาคตได้พบน้อยพบกหญ่บุญนี้จะนําชีวิตของพระองค์ให้ถึงที่สุดแห่งทุกได้เพราะพระองค์มองเห็นหนึ่งบุญที่ทำมาแล้วเห็นหนึงบุญคือความเกิดตอนที่พระองค์จะดแต่งจีจพูดขึ้นได้ตอนที่พระองค์จัดเป็นเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ว่าความเป็นมนุษย์นี่มันทิ้งที่มันเป็นได้ยากแต่มาเป็นได้ด้วยการสร้างบารมีคือความดีพระองค์จึงแต่งเป็นผู้ตาพอด ร, รับรองความดีว่าเป็นผู้ที่มีศีลกิจช่อมนุษย์สปฏิลาโภความกลับได้มาเป็นมนุษย์เป็นของยากแต่พระองค์ใน เป็นมนุษย์มาแล้วเราท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่าความเป็นมนุษย์นี่เป็นของยากเราก็ได้เป็นมนุษย์มาแล้วเพราะงัเราได้สร้างความนี้ไว้ความดีคือบาเพ็ญส่วนศีลศีลขั้นต่ําเขาเรียกศีลรรบารมีต่ำๆอย่างศีลหน้า คนเรอยู่ดีไปดีมาดีเป็นสิริมงคลเกิดตนประทัดพลทรงแดสดงวศีลเป็นเกราะเป็นบังเกอร์ที่ป้องกันอันตรายดีกว่าบังเกอร์อย่างอื่นได้เพราะบังเกอร์คือบุญนี้คือศีลนี่ป้องอันตรายนีอยู่ในว่องกับขันแต่บุญนั่งแรงช่วย ผู้นี้ผู้ที่มีบุญในผลจากทุกทายง่ายปลอดภัยจากอันตรายได้ไม่ในปัจจุบันคนที่บําเพ็ญบุญแล้วอดีตฐานในเรื่องบุญนั่นเนี่ว่าจะบุญนี่เป็นศักดิ์สิทธิ์เป็นของวิเศษสั่งหรือเปล่าจึงก็รองว่าบุญนี่มันให้ผลไหมแล้วอวดีตฐานอัด้วยบุญนั้นอันตรายที่จะเกิดขึ้น อันตรายญาี่ยเนี่อันตรายใาญ่เกิดขึ flagship, ้นเก่ดข้าพเจ้าในใหญ่เกิดขึ so roz, ้นในที่ที่ข้าพเจ้าอาศัยก็ปลอดภัยไปได้นี่อาจจะมาไปอยู่ที่ฟลอริดาฝรั่งสองคนผัวเมียไปทำสมาธิทุกวันทุกวันมีลูกน้อยไว้ฝากไว้เยมนไปเจริญพระพุทธมน ต่อมาภัยที่มันจะเกิดขึ้นที่รัฐฟอริดาสองคนผู้เมียเนี่ยผู้หยิงก็อธิษฐานจึงแก้ปัญหาได้เขาจึงเห็นเข้ามาพูดเรงหัวเราะเพราะฉะนั้นถ้าทาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราสวดมนาสว่าข้าโตพระวาตาธมมรรมูถ้าทาที่พระภูมิภาคดันดีแล้ว สั้นนิติโกผู้บำเพ็ญเห็นเองเราเห็นด้วยปัญญาของตนเองเห็นด้วยบุญของเราเองบุญของเราบุคคลอื่นจะเห็นไม่ได้ผู้ใดใครผู้นั้นเป็นผู้เห็นเองเห็นด้วยปัญญาคือความเฉลาดแห่้องควบคุมเห็นใจที่บุคคลนั้นผู้นั้นทำไว้ฉะนั้นตัวตัวศีลที่ผู้บำเพ็ญศีลได้ก็เห็นคือตัวปัญญาคือความฉลาด ว่าชีวิตของเราจะมีความปลอดภัยก็อาศัยคือศีลนี่แหละเป็นเหตุทำให้มีความปลอดภัยได้เพราะฉะนั้นบุคคลที่มีศีลอย่างบ่ำศีลห้าถาบัมเป็นธรรมะสังยนดสังยน์เป็นเครื่องผูกตําหลักพันท่านบอกเป็นเครื่องผูกไว้อะไรเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเราไง คลายไม่ได้แต่ดนุบบุบมาเ ม, มืงอคนตกใจเข้าไปในโกอไผ่พอหายความตกใจแล้วจะออกจากโกไผ่ไม่ได้เพราะถูกน้ําไผ่ตําตําตกส่วนอาศัยผู้อื่นค่อยตัดน้ําไผ่นั้นผู้นั้นจึงจะรอดจากไผ่อันตรายได้ผู้อื่นช่วยก็ผู้อื่นช่วยก็เป็นผู้มีบุญเหมือนกันฉะนั้น ในทางศาสนาที่ตั้งสอนให้บำเพ็ญเนธมะบารมีจันมีโอกาสอย่างวันเช่นนี้มาบรรจบครบรอบปีผู้นาเถือพระพุทธศาสนามีโอกาสทางศาสนาก็หาโอกาสชักชวนบุคคลที่ควรชักชวนคือดึงได้มีมีพื้นฐานแห่งจิตที่มีจัดทาอยู่แล้ว แล้วก็ดึงดูดพูดให้เขามีเพิ่มคือเสริมกถาให้มีความคิดความเห็นติดเป็นอุบายที่นําเข้ามาสู่ศาสนาหรือบางทีอาจจะพู้นั้นเกิดนิมิตเครื่องหมายขึ้นมาก็ได้ว่าเป็นอุบายที่จะให้เราบําเพ็ญความดีเป็นเครื่องเตือนจิตทึงนําเข้ามาสู่ศาสนา ว่าศาสนาเนี่ยเป็นวิธีการที่จะทำจิตใจของตนให้พ้นจากไปฉะนั้นบารมีข้อตีสาลว่าเนกมะสังตะโปความดำนีออกจากเครื่องที่ผูกมัดรัดบึงจิตใจนิวรเป็นเครื่องผูกมั ด, ดจิตใจพัดผูกมัดโยนย แต่เราแม่หนูสอนลูกึงธรรมะเราจะมองไม่เห็นว่าเป็นเครื่องผูกมัดหย่อนโยกผู้ใดได้ศึกษาหรือพิจารณาเกิดปัญญาก็พิจารณาว่านี่เป็นวิธีที่จะผูกมัดจิตใจเราจังหาวิธีอบเนคมะบารมีเนคมะสังกปูคือเนคัมะบารมีอย่างญาติโยมทั้งหลาย ท่านทังหลายออกจากบ้านมาสู่วัดถ้าจิตใจของตนมีธรรมะคือสติพิจารณาน้อมมาพิจารณาก็ให้เกิดปัญญาคือความเบากายในความเบาจิตในความสุกใยในความสุขจิตมันต่างกันเราพิจารณาเห็นมันต่างกันเพราะฉะนั้นในกามสังกัปป ออกแดดเครื่องรอยรัดปลูกมัดต่างๆทายเท่าไหรท่านบอกเท่านั้นท่านจึงแต่นิวนณิวรณ์เครื่องง่ามไม่เราทําความดีแต่เราทําความดีบ่อยๆครับความดีมันปรากฏในจิตเป็นนิมิตขึ้นมาปาษาที่เรามาเจริญเราทําความดีแล้ว บาเป็นทานก็ดีบางเป็นศีลก็ดีบางเป็นเนคขมะก็ดีอารมณ์มาเจริญความดีที่ยิ่งขึ้นไปเขาเรียกว่าปัญญาบา ร, รมีเพื่อให้จิตใจของเรามีความเจริญขึ้นมาล้วทาจิตของตนให้มีเป็นสมาธิจิตคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งพื้นฐานคือความดีที่เรามีอยู่ก่อนล้วก็นึกถึงอารมณ์ เราเทียบเคียงเห็นมาสิ่งที่ผ่านมาและลงมาพิจรารณาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอารมณ์ที่ดีขึ้นมาคือตัณจิตของตนให้มีสติจิตที่เรามีสติจิตนั้นเป็นเครื่องดึงเป็นเครื่องที่นำจิตใจของตนม่ผงใส ทำใจของตนให้ปฏิจจานิวรเครื่องผูกได้ท่านว่าจริงว่ า, วาปุตตังคีเวท่านว่าอย่างนั้นปุตตังคีเวบุดผูกคอขนังปาเดซับผูกเท้าปริยังหัตถปริยาผูกมือสามบ่วงแต่ถ้าเราพิจารณาไป เราคายไปได้ไปจะไปจบกับความสําเร็จคือความเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ประกอบด้วยธรรมะด้วยธรรมะที่จิตใจที่ผ่องใสที่จิตใจเป็นสมาธิจิตจิตใจที่เป็นบุญอันสูงขึ้นไปเท่าว่าเป็นสมาธิคือมองเห็นสภาพของความเป็นจริงของรู ป, ปากาย คือร่างกายของเราเนี่ยที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้กายกับจิตที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันแตาเราบําเพ็ญความดีให้ปรากฏในจิตคำว่าความดีปรากฏในที่จิตนี้เขาเรียกสมาธิจิตเริ่มต้นแต่ความดีถิ่นศีลถิ่นเกื้ การไม่เบียดเบียนผู้ใดผู้ใครผู้หนึ่งไม่ยุ้อแย่งไม่แย่งกิงไม่ผิดหลวงประเวณีผู้จ่าภาทีถูกต้องตามเหตุผลไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเวลานี้สิ่งแวดล้อมมันเป็นปัญหากับสังคมฉะนั้นผู้ปกครองจึงต้องพยายามที่จะเอาบายวิธีไกลๆต่างๆ พระด้นต่างศาสนาหลักคือสำคัญเจตแต่เบื้องต้นตั้งแต่เหมือนเราปลูกต้นไม้คอยรักษาไม่สิงเวทล้อมมาพัวพันตาต่างสังเกตแต่เราสังเกตเราสร้างว่าถูกภายนอกสร้างบุคคลก็เหมือนกันสิ่งเวทล้อมถ้าสิ่งที่มีดอไม่ดี ทำไมในใจใจคนก็ดิ่งเด็กน้อ ย, อยคล้อยตามไปให้ไม่ยากเพราะสิ่งที่มันอ่อนอ่อนไหวไ ด, ได้ง่ายขึ้นมาเพราะฉะนั้นในทางศาสนาปัจมาสัมพุเตเจ้าตรัสว่าเราต้องปรีดีจากสิ่งที่ไม่เป็นมงคลที่เขา นิมนต์พระไปะเจริญพระพุทธมนต์ที่พระต้องสวนเป็นภาษาบาลีเพื่อรักษาภาษาไว้อาเซวานาจบะบารานังท่นานอย่าไปคากับบันกับอย่าไปคคอบกับคนผ่านโบราณที่นิทานในยุศพเป็นเด็กๆเรียนหนังสือคนผ่านจะแดดงคือความไม่จริงต่อตนเอง พอเขาช่วยเหลือก็ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นคนผ่านคิดในทางทุจริตคิดในทางเบียดเบียนผู้อุนยิ่งในทางที่เสียประตุสรางบุคคลอะไรหลายอย่างเนี่ยจะก็ชนผ่านผ่านไปนว่าอ่อนตามการโจรในทางศาสนาเหมือนเด็กทารกน้อยๆ อ, อ่อนยังไม่รู้เรียงสาครับถ้งคนเรารู้เรียงสากวาสามารถจะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีให้ดี ตนเองที่เราต้องแก้ไขได้โบราณจึงว่า ค, คนดีชอบแก้ไขคนจางไรชอบแก้ตัวคนชั่วอลไรชอบทาลายเพราะฉะนั้นคนเราต้องแก้ตันเองไม่ใช่แก้ที่บุคคลผู้อื่นเราต้องแก้ตัวเองโดยอาศั ย, ยคือเราศึกษาในทางศาสนาตนันจึงตรัสอีกข้อหนึ่งบัณฑิตนนะะานะันย์อย่าเสวนาบัณฑิต ผู้ ด, ดำเนินประโยชน์นะกิจด้วยปัญญาถ้าทางโรคบันฑิตอย่างน้อยเทั้งเร็จเป็นปริญญาตรีพกเป็นปริญญาตรีพูดพอพูดกันเข้าใจครับพูดภาษากันเข้าใจตามที่สังเกตที่ผ่านการศึกษาสังคมมาพอะจะเข้าใจครับอะไรเป็นอะไรสูงขึ้นไปเช่นปริญญาโทอย่างเนี้ยปัญญาเอกอย่างรัตตมี ทางประเทศดร์สุรกิจเสถียนไทยจะมาประเทศออสเตรเลียเป็นดเรเดี๋ยวเขามีความรู้แปลงจะเขาจะใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติหรือประเทศที่มาสังคมมาทําสมานไมตรีซึ่งกันและกันเพื่อจะถ้อยตีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ถ้าพูดใจจริงทุกจริงเราก็ต้องการความสุขอันไรเราก็ให้ความสุขอันนั้นแก่เขาอเขาก็ให้ความสุขแก่เราถ้าพูดง่ายๆเรายกมือไหวเขาก็ยกมือไหวเราปูชาโกรวบะเตผู้ชัางเขาบูชาเราบูชาต่อเพราะฉะนั้นบัณฑิตท้งบัณฑิตในทางศาสนาดิเต้ธรรมเจะโยอัตโธ โยตโตสัมบราชิโกอัฏฐาปิสมาทีโรปนิโตติปุจติบัณฑิตในปัจจุบันต้องทําประโยชน์อุทนาสัมปทามีความขยันกับความขยันที่เป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้อื่นในขั้นต้นเป็นผู้ขยันผ่านตนให้บุคคลมีมีหลักมีฐานสามารถประกอบกิจการต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คนเป็นประโยชน์แก่สังคมได้ก็เลยอุทนาสัมปทา อาปราการสมธาธรู้จักรักษาไว้คือความรู้จักความขยันติดต่อกันไปนือนชีวิตที่เราเป็นอยู่ได้ในปัจจุบันนี้ได้เป็ น, เ ป, นเป็นอยู่ในปัจจุบันในถึงอนาคตความจริงแท้ของรูปอากายตออามอธิมายเราเข้าใจว่าบุญเป็นบุญญาพิสังข์ขันบุญเป็นของอัจฉริยะหน้าเรื่องใช่จริงเพราะฉะนั้นเบพุตธเจ้าจัดอย่างใดก็เป็นไปอย่างนั้นคงว่าคงศอบ เป็นยังไงเป็นจริงป้พระพุทธเจ้าตรัสจริง ใ, ใครว่าไม่จริงไม่ได้ป้พระพุทธเจ้าต่ัว่าไม่ดีจะเป็นของจะเป็นของดีไม่ได้แต่เป็นของไม่ดีอยู่นั้นนะ่ะเป็นคงวากงโตกเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นบัณฑิตอันบัณฑิตแต่ไม่จะประโยชน์ในปัจจุบันอาะะสคส ม, มาาัารู้จักรักษาความไม่ดีเหมือ น, นคือรักษาความเค็มเกลือมันเค็มอยู่นั่นนหละ ความดีก็เป็นขึ้นความดีอยูน่นันะให้ผลแก่บุคคลผู้มีความดีกรลยานามิตาตาความดีจะเกิดขึน้นเาอาศัยกัลยานามิที่เราที่เราไปศึกษาในสถ า, านที่ใดที่หนึ่งตั้งแต่ขั้นต้นแต่ชั้นปฐ ม, ม, มสึามัธยมอุดมศึกามหาวิทยายวันก่อนเด็กลูกของครูก็จะมาเรียนหนังสือ ที่ประเทศนี่มาพักที่เมืองนี้อ่ะเขาสอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษกระเดงว่าภาษาของเราอ่อนเพราะฉะันต้องด่นเก่งในภาษาต้องฟิตภาษาต้องตเตรียมในการที่เราต้องแก้ไขได้อดัมมาเขาเล่าฟัง ม, มีคนคนหนึ่งเขาว่าภาษาเขาดีเด่นแล้ว พอไปถึงประเทศอเมริกาไม่ได้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเขาสอนไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นความดีเราต้องทดสอบต้องทําให้มันดินเรียกว่ากัลยาณามิตารตามีมิตรดีคอยตักเตือนสั่งสอนสมาชีวิตาคือวางตนในเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของตนในปัจจุบัน ตันตบามาขมองเราเราปัจจณารองน้ําฝนไว้ที่ารแกล้งแต่ปัจจนะของเรารู้ว่าฝนตกลงเท่าไรเท่าไหรก็ปัจจณาก็ไม่เต็มด้วยน้ําฝนคนไม่มีปัญญาก็เหมือนกันทั้งสมบุญมา ก, กันแต่มันได้อย่างนี้ไปเสียอย่างอื่นจึงไม่รักษาบุญอันวันอันไว้เพราะนั้นต้องรักษาบุญไว้ฉันตันว่าเราไม่ประมาทในเรื่องบุญ พระุทธเจ้าจึง ต, ตรัสพุทธพจน์มามากเหนือที่จะพรรณนานะเรามีปัญญาน้อยปัญญาเทศหังอื่นจึงจะพรรณนาใดีเดินให้เห็นชัดมันยากแต่พอค่อยพยายามคอยพิจารณาไปแตนจึงตรัสว่ามาวันเยมาว่มามันเยว่าปุญญะชะนัมมตังอาตมิสติอุดาปินตุนิปัติณะอุดะปรมโพภิปุริติปุรติทีโดปุญญะชะโธกังโธกังปิอาจีนัน ท่านทั้งหลายอย่ากัวต่อบุญเลยทํามาบุญบุญเหตุน้เกิดความสุขตจังสังสมทีเดานิดทีเดานิดจิตก็เราก็จะเต็มไปด้วยบุญตรงตัวจิตเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็มาหลวงวจินาวงบัดบรมีวทวรรค์เลยอาตมาก็เคยไปบวชมาเองไปทาําวัดวันประชูก็ต่านแก็กขออกขอมาเก็บ ถ้อาอ่นตำกันเทยของพระองค์แลยท่านอธิบายว่าจิตนี่เก็บบารามีจิตของเราเนี่เก็บบารามีถ้าฟังเท่าไหร่จิตนั้นเก็บไว้ทำความดีมันเก็บจิตมันเก็บไว้จึงว่าจิตนี่สั่งสมบารามีไว้ฉะนั้นเหมือนที่เราเก็บเอินไว้ในธนาคารเ่ดอกผลก็เกิดขึ้น ความดีก็เหมือนกันเน่มันตรงให้ทุกพบทุกชาติจนขีนาชาติถึงชาติสุดแห่งชาติจึงหมดทุกกันชาติหนึ่งเพราะฉะนั้นการทำความความดีในทางสาสนาท่านที่เป็นมงคลบันดิตานั้นจะเซวนาครอบกรรมบัณฑิต จึงเป็นมงคลบูชาจะบูชาในนิยนังบูชาคือบุคคลที่ควรบูชาเช่นวันเช่นนี้รเราบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกแห่งโลกพระพุทธเจ้าทรงแนะนําตักเตียนสั่งสอนเว น, นยัย น, น, นิกควรแนะนําได้พระองค์ดักรู้แล้วพระองค์ยงงั ง, งทรงทําพุตักทิคเือกิจของพระพุทธเจ้า ปุบรันเ์บินดาบาลจันจ่านี้ให้ทำกิจจะมีการบินดาบาตเพื่อให้ธรรมชาติแห่งกิจระนึกถึงครั้งผู้แต่กานสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงประชวอยู่เพราะว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญบินดาบาตพระองค์ทรงทําหน้าที่บินดาบาตเพื่อสเสวงหาปัจจัยคืออาหารมาอย่างมายังตรังขาให้ทรงอยู่ได้นี่เรียกว่า ภพละเอียดของบ๊ะพุทธเจ้าซาญเนธธรรมเทสนังจึงให้มีการแสดงเทตธรรมเทสนาการแต่การแสดงธรรมก็เป็นบุญ น, นั่นหนึ่งในบุญสิบ ป, ประการเจ็นทานก็บําเพ็ญบุญอย่างย่อมจ่บําเพ็ญทานยิ่งยิงยิ่งบําเพ็ญยิ่งเห็นบุญขึ้นมาบุญ น, นั่นหลังเลยข้ามาหาสู่มันฝนยิ้ ตกลงจากภาคภูมไม่ต้องอ้อนวอนอ่ะบุญมาเองเราทําบุญก็บุญเกิดขึ้นได้คือความมาใจจันทร์เริ่มใช้จริงของบุญศีลก็เหมือนกันเกณงก็คือความบอดไปจึงจะให้เราให้เราได้รูปสมบัติบะปุตเตจาสุวรรณตาความเป็นผู้มีผิวดีสุรตาความเป็นผู้มีเชียงไปแล้วสูสั้นท่านังความเป็นผู้มีสวดทงสมทวนอาทิไป ปิดจังอธิป จ, จังคือความเป็นใหญ่ก็ได้บุญนะเนี่ยไม่มีบุญไม่ได้เพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสาลยบุญหนึ่งสําคัญมากฉะนั้นเดี๋ยวว่าปูชาจะปูชนี่ยเอตัมมังคือเรมามาบูชาพระพุทธเจ้าบูชาต่อพระองค์จินยานเนี่ยปูชาจะปูชนียนั่นงปูชาไร่ปูช า, اه, ชาโต มุตเทยดีสาวะกิปปัปปัญจะสมาติกันเตตินนทโซโกับพริเยเมื่อซาผู้ชนมาบูชาซึ่งปูชาระามุคลคือพระททธผลผู้เทเจ้าหรือเหล่าพุทธสาวกผู้สิ้นทีเดตซึ่งเป็นเอดเนินชาคือตัณหามาณพิถิพระพุทธเจ้ า, ท ร, าทรงข้ามปปัญญธรรมทรรมที่เป็นเดเนินชาคือตัณหา มานะทิฏฐิก็เรามีมานะมานะเหมือนอย่างที่ว่าที่ว่ากุม า, าที่ไปเยี่ยมปญาติกุ ม, มานี่ดียว่าเป็นลูกของนางคนชายนางกาสีขัตติยมานะไม่รวมสเสวยอาหารเนี่ยมานะทิฏฐิเป็นเอนเนิเ น, นชา มันก็เดินทางไกลชาพระพุทธเจ้าถึงข้าปปัญญาธรรมคือตัณหาตัวเฮตุใ้เกิดความทุกข์พระพุทองค์ทรงดับเหมือนไฟที่ดับไม่ไม่มีเชื่อไปตามบัญเย็นมีเด้เท่าการเยืนพระพุทธเจ้านิบบุตานุนาสสมาตานิบบุตานุนรรรมมาสสามโต พระนางกิจสาโคแต่มีพระนานางสะดูดีพระพุทธเจ้าวะสิทธัทถโมารนี้เป็นบุตรของบิดาเลยบิดานั้นยินใจแน่เป็นบุรุษของบรรดาเลยบรรนานั้นเย็นใจได้เป็นสามีของนาบีใด น, นาบีนั้นก็เย็นใจแน่เพราะฉะนั้น เพราะพระองค์ทรงค่ากิเลสปปัญญาธรรมคือตัณหามานะและทิฏฐิเพราะฉะนั้นแย่โยมทั้งหลายที่ได้มาบูชาปะสัมมาสัมพุตธเจ้าซึ่งมีพระพุทธปฏิมาเป็นองค์เปรียบคือเทียบเคียงเห็นพระองค์เรามากราบไหว้ครับลงเ้ย จะว่าอย่างไรพระองค์ชฉยประทับนิ่งถึงตาหมายพระองค์ยังทรงมาจนอยู่เหมือนกันพระองค์ตัตมาตุนนีเอประทับนิ่งเพราะความพระองค์ตาไกต้องการอะไรพรองค์ให้สิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นท่นานสาธุชนทุกท่านที่ได้มาบำเพ็ญความดีเช่นวันเช่นนี้เป็นวันอานาสานะ ปูนาปีคือดีทีเป็นเดือน 7, เจ็ดเต็มดวงพรุ่งนี้จะเป็นเป็นเดือนแปดเป็นวันเข้าพรรษาในระยะสามเดือนเป็นเข้าวฤดูฝนแต่ถึงจะดูฝนเป็นฝนเพื่อจะรักษาขนบประเพณีอันดีงามผู้ใดต้องการความเป็นความดีเขาเรียกว่า เพื่อบำเพ็ญเนกรมะบารมีเราอธิษฐานว่าจะทำอะไรเราจะรักษาสี่ห้าสามเดือนก็ไม่ยากในเมื่อเราตั้งใจแล้วสมาบปยตังกิตตังเสอยโส้นังแต่ตัวกันจิตติตั้งไว้ชอบแล้วความจเจริญหวังได้ร้อเปรเซนเพราะฉะนั้นผู้มามูชาพุถุตเจ้าเราจะคำนวณนับถึงบุตร ว่ามีประมาณทตานั้นแ่านี้ด้วยเครื่องตวงไม่ได้ไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นท้อบุญนี้อํานวยคือความสุขให้แก่ชีวิตทุกภ พ, พทุกชาติอย่างเราเป็นบำเป็นทานทํำมาชีวิตเรามีอุดมสมบูรณ์ทุกภ พ, พทุกชาติทําบําเป็นศีลก็ได้รูปปสมบัติสดชวยงดงามเป็นที่ฟังเป็นที่ปรารถนาะ ของคนทุกชัน้นปันเนตกรรมะบาลีเพื่อทํากายใจของตันในพ้นจากทุกคําว่าทุกทุกกายก็นี้คนบางคนชาติหนึ่งไม่มีเก็บใข้ได้ป่วยไม่มีแต่แม้ความเป็นความตายเป็นของธรรมดาทั้งเราจวดมนท้องบนจะมาจะมังมาเรอะกว่าชราธรรมโมมีเรามีความเจ็บเป็นธรรมาดาปยาธิ อนาคตโตเรามีความเจ็บข้ายเป็นธรรมดาดล่วงความเจ็บข่ายไม่ได้ไม่ได้แม้ความเจ็บข่ายเป็นธรมมนธรมดาธรรมดาที่กระชา้าประมาลรูคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งที้องเยียวยาด้ดยการให้อาหารถ้าไม่อ่านก็อยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ในรักณะดาานี้เราทำในใจโดยเย็บกายโยนโซมนานิการ พญาธิทํห ม, มกมิเรามีความเจ็บไายเป็นธรรมดามรณะมรณะอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงความตายไม่ได้ภาษาหลักศาสนาตอนใช้ภาษาปฏิจจาน า, น า, า, านมรารณะตายก็ปิดไปทีนท่นี้ที่นิดเรา <S <S มองไม่เห็นถ้าเราปีหนึ่งถ่ า, า, า, ายภาพไว้ปีหนึ่งจะเปลีป่ยนแปลงถ้าเราพิจารณา ป, ปีหนึ่งมันเปลี่ยนไปทีหนึ่ง ระด e ah an ับของกายระบับของจิตใจมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมดาเหมือนดวงอาทิตย์มันโผลกันค่อยๆไปคล้อยไปในที่มันดับไปฉะนั้นกรรมัตยโกมีเรามีกรรมเป็นของของตนเราทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเราจึงเสรสันปันแตนด้วยการการทำความดีเพราะฉะนั้นมีโอกาสอัิโอกาสนาทีทองของการทําความดี เราก็โอกาสทำความดีให้ชีวิตของตนมีความสดใสในปัจจุบันในสดใสในอน า, นาคตเพราะฉะนั้นการแสดงที่แจงข้อธรรมปอเป็นแนวทางหงการศึกษาและการปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัททั้งครอหัดและบรนวันิตที่ได้มามีมจิตเลื่อมใสรวมกันบำเพ็ญความดีในขณะ น, นี้หรือวันต่อไปคุงนิยหรือวัน ธรรมต า, าโรมีการปฏิบัติทำเป็นพิเศษอาจมีภูมีศรัธากมามวดที่พรามวันเส ว, วนาทิตย์เพื่อทําจิตใจของตนให้สดใส ช, ชื่นบานในการบำเป็นความดีว่าเพื่อจะทดูดีชีวิตของเราเป็นอยู่ดีเราจะสร้างความดีเป็นเครื่องหล่อล้อมชีวิตของเราให้อยู่ดี ไปดีมาดีเป็นสี่โมงคนแก่ตนไม่ต้องเดื อ, รอดร้อนในภบน้อยภพใบใจเพราะในที่สุดแห่งการแสดงธรรมเทศนาแล้วขาอ้างบารมีคือความดีที่พระพุทธเจ้าทรงบำเป็นมาและอ้างโพธิบักเกียร์ทที่พระองค์ทรงบำเป็ น, น, เ, ปนเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเราท่านทั้งหลาย บาเป็นความดีเพื่อไปดีมาดีเพื่อความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตยังเป็นไปเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายนานับถืการเผื่อปราจะจากโรคาประหยัดที่ความเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งเป็นที่ไม่ปรารถนาเพราะฉนั้นขอภ r a ดังในกล่าวนี้ให้ไกลจากท่านทุกท่านประสบแก่ความสุขและความเจริญสมบูรณ์ปุลพนโดยจริงต้นพึ่งปรารถนา ขอจเจริญเวอายุอายุยืนนานวันณนะมีผิวพรรณผุดป่องสุขะมีความสุขกายสุขใจพละมีกำลังกายสำังใจประกอบกิจอันเป็นประโยชน์แก่ตัวในเปน็นอยู่สังคมมาสมให้รู้ห่องตามปบบไมยดังอาถที่บายบัรยายมากก็พอทุ่มควรเก่เวลาเอวังก็มีด้วยก็ระเสดี ยะท้าววิวาห์ป r ราภิรุรินทิสาการเอวเมวิโตตินังเปตานังอุบาคปฏิเอจตังปฏิตังตุมังทิปเมวจมิจตุจเพรุรินดูสังกปาจันโทปันระโสยะทามานิโชติระโสยะทาสปิตโยวิจันโต สัปปโรโกวินัสตมาเตปวัตวันดราโยสุพินิขาดุโกปะวะอภิวาตานิสิสนิเจังวุทามุจางิโนจตารโรธัมมาวตันติอายุวันโนสุขังวะหลัง